พวกเราก่อนมาค่อยเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะดีตัวที่จะทําให้เราค้นได้จริงๆคือตัวปัญญาตัวปัญญาที่เป็นตัวสัมมาทิฏฐิจริงๆมันก็คือการที่เราสามารถเห็นกายเห็นใจตัวเองเป็นไตรลักษณ์ถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราพอปัญญาแก่รอบเพื่อทำลายความยึดถือในกายในใจนี่เป็นอํานาจของปัญญาทั้งสิ้นเย พระพุทธเจ้าถึงสอนบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานิยามของปัญญาไม่ใช่ว่าฉลาดรอบรู้เรื่องต่างๆหรือรู้ธรรมะมากปัญญานี่เป็นความฉลาดของจิตไม่ใช่ความฉลาดของเราถึงความฉลาดของจิตนี่ยไม่ใช่ความฉลาดของตัวเราบางคนเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าไม่มีปัญญาในทางศาสนาบางคนไม่มีความรู้เลยนะมีปัญญาในทางศาสนาพุทธ ขอนิยามของปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราที่สุรินนะเคยมีแม่ค้าขายผักชื่อแม่สเกียวแกขายผักนะหน้าตาแกสดใสยังก็นางงามเ่ยแกมากนะ <c oughs> คนมาซื้อผักแกแก็สดชื่นคนไม่มานะแกก็นั่งดูแกแกไปเรื่อยๆนี่คนมีปัญญา มีปัญญาเนี่ยสามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์คนฉลาดในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ปัญญาในทางธรรมเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะพ้นทุกข์จริงๆ ม, มีแค่ผัดหล่อนความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวอย่างพอสอด็อเตอร์ตู่อะไรเงี้ยนะ<ม>เป็นด็อกเตอร์ <Okay. S 1> นะเป็นพอสอไม่เห็นมันจะพ้นทุกข์เลย เดีว่าแต่รอสอเลยนะรอสอหรือสอมันยังไม่พ้นเลยนะเพราะความฉลาดในทางโลกกับปัญญาในทางธรรมก็ได้ไม่เหมือนกันฉลาดในทางโลกก็รู้จักที่จะอยู่กับโลกหาอยู่หากินหาผลประโยชน์ไปวันหนึ่งวันหนึ่งได้มาแล้วก็หมดไปแล้วก็หาใหม่ <S <S หวนเวียนอ ย, อยู่ไม่รู้จุจบความฉลาดทางโลกอยู่กับโลก ปัญญาในทางธรรมนี่คือการเห็นความจริงของกายของใจตัวเองว่าเป็นไตรักษณ์ถ้าเมื่อใดจิตมันเห็นไม่ใช่เราเห็นนะถ้าเราเห็นเนี่ยเป็นความฉลาดทางโลกถ้าจิตมันเห็นถึงจะเป็นปัญญาในทางธรรมฉะนั้นเรากับจิตนี่โคดันกันมาเรียนใหม่ๆจะสับสนนิดนึงว่าเรากับจิตสมัยมันเป็นโคดันกันอย่างเรานี่รู้หมดใช่ไหมเราฟังคำมัเรารู้หมดเลยแต่จิตไม่รู้ด้วย เราได้ยินธรรมะว่ากลายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์จิตไม่เชื่อจิตก็ยังหวังว่ากลายจะเป็นสุขจิตใจจะเป็นสุขอยู่้จิตมันไม่เชื่อเพราะฉะนั้นจิตกับเราเนี่ไม่เหมือนกันนะเราจะฟังนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็บอกว่าเราเชื่อรับยอมละนะขอให้บรรลุมรคผลใบใบเราเชื่อละจิตไม่เชื่อด้วยหรอกจิตไม่เชื่อด้วยนี่อาศัยการที่เราป้อนข้อมูลให้จิตดูทุกวัน มีสติรู้กายมีสติรู้ใจตรงตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆมันจะรู้ตรงตามความเป็นจริงใ จ, ใจต้องตั้งมั่นใจตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะเห็นปรากฏการไหลผ่านมาสิเป็นแค่ผู้สังเกตการไม่เข้าไปแทรกแซงรู้แล้วจบตรงที่รู้รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไร เนี่าป้อนข้อมูลให้จิตมันดูทุกวันทุกวันนะมันก็เห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าคลองยุคเลยรนีย่ยกเท้าย่างเท้าอะไร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานีไปมองเห็นไปเรื่อยๆแต่ถ้าไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายก็จะไม่เกิดปัญญาเนื่องจาไม่มีใจที่ตั้งมั่นเป็นคนดูแต่มีแต่ใจที่เป็นผู้เพ่งดังนั้นถ้าใจยังเพ่งอยู่เนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดปัญญาพ้นทุกได้จริงหรอก ใจเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ดูใจเป็นแค่ผู้สังเกตการใจตั้งมั่นสักก็รู้สักไว้เหตุตั้งมั่นอย่างมีความสุขด้วยไม่ใช่ตั้งแบบแข็งแข็งตั้งแบบแข็งแข็งไม่มีความสุขใช้ไม่ได้จริงหรอกตัวมันอมความทุกข์อยู่มันจะไปนพ้นทุกข์ที่ไหนตัวมันจมอยู่กับความทุกข์แท้ๆแต่ถ้าใจมันตั้งมั่นอยู่เฉยๆนะมีสติระลึกรู้เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออก เห็นร่างกายฟองยุบเนี่ยเห็นร่างกายยกเท้ายั่งเท้าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเห็นเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยหมุนเวียนผ่านไปผ่านมาในกายในใจเวทนาไหลในกายก็ได้ในใจก็ได้เห็นกุศลอกุศลไหลผ่านให้จิตไปรู้เนี่ยเห็นอย่างเนี้ยใจอยู่สักว่ารู้สักว่าเห็น ปัญญามันจะเกิดคือมันจะเห็นว่าสภาวะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตมาอาศัยอยู่หรือจิตไปรู้มันเข้าร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่ฟองที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นออยู่ต่างหากกันกายกับจิตมันแยกออกจากกัน กายกับเวทนากับจิตก็แยกกายกับเวทนาสัญญาสังขากรกับจิตก็แยกแล้วแต่จะแยกมากแยกน้อยอย่างน้อยต้องให้แยกได้ได้สักคู่หนึ่งก็ยังดีถ้าแยกออกไปแล้วจะเริ่มเห็นสภาวะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนั้นไม่ใช่ตัวเราฉันเปรียบเทียบคล้ายๆรถยนต์หนึ่งคันมีรถยนต์จริงๆหนึ่งคันจับมาถอดเป็นชิ้นๆล้อรถไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์เบาะก็ไม่ใช่รถยนต์ จะพบว่ารถยนต์จริงๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่เหมือนกันได้จับมันมาถอดแยกา้าแยกขันออกไปก็จะพบว่าขันแต่ละขันมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะจะรู้ด้วยใจจริงๆความความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจําได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราความคิดนึกปรุงแต่งที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ตัวเรา เนี่ยพอแยกออกมาเป็นสภาวะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแล้วถึงจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เราถ้ามันมารวมกันแล้วมันเป็นเราพอเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างนี้นะวันหนึ่งใจก็ยอมรับเราค่อยรู้ค่อยดูของเรานะวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงมันก็จะตัดสินความรู้ของมันจะถอดถอนความเห็นผิดไปถอนออกมาบางคนก็แหวกออกไปบางคนมันถอนออกมามีหลายแบบ ใจก็จะค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนะพอเข้าใจธรรมะเบื้องต้นนะว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา เ, เวลาเราย้อนมาดูกายดูใจนะจะเหตุกายเป็นเปลือกอะไรอนันหะนึ่งนะเห็นอยู่อย่างนั้นนะเห็นคนข้างนอกก็เป็นเปลือกแต่ละมันกลวงกลว ง, ลวงข้างในกลวงกลวงเพราะจิตใจอะไรก็ไม่ใช่ตัวเราเหนะ็นแล้วมันกลวงกลวงไปหมดมเห็นความว่างที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ น, นีความว่างนี้เป็นมหาสุญญตาไม่ใช่ความว่างแบบช่องว่างพวกเรายังไม่เห็นูุฏุชนจะไม่เห็นความว่างชนิดนี้แค่รู้สึกรู้สึกพ อ, อรู้สึกได้บ้างอย่างเวลาเราไปอ่านหนังสือเซนนะบางทีเรารู้สึกแปลกแปลกใครเคยรู้สึกหมเวลาไปอ่านหนังสือของเซนใจจะรู้สึกแปลกแปลกเหมือนมองโลกแล้วมันหมูงหม่งในชอบกนอันนั้นคล้ายๆหรอกพอคล้ายๆ พอเหมือนเหมือนพอเหมือนเหมือนก็ยังหมายอยู่หลวงปู่ล่าท่านสอนดีนะบอกว่านิพพานไม่ใช่ผู้รู้ฟากผู้รู้ไปจนไม่มีที่กําหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนเหมือนใยภาษาของท่านนะถ้าภาวนาแล้วก็เข้าใจไม่ภาวนาก็นึกว่าเป็นปริศนาความจริงไม่ใช่ปริศนาสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนแนะครูบาอาจารย์ไม่ใช่นักทายปริศนา ครูบาอาจารย์สอนธรรมะตรงๆอย่างหลวงปู่ดูลก็สอนตรงๆคนก็ชอบเรียกว่าปริศนาธรรมของหลวงปู่ดูลพอมันเป็นปริศนาเราต้องเอามาคิดใช่ไหมจะต้องแก้ปริศนาไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่สอน อ, อปริศนาท่านบอกสภาวะตรงๆแต่ว่าเรายังไม่เห็นเท่านั้นเองถ้าเห็นแล้วก็เข้าใจอ๋อท่านพูดซื่อๆนี่เองโ ง, โง่ซะเองเลยจะด่าตัวเองนะโฮมจะเป็โง่อย่างนี้ของง่ายๆแค่นี้นะไม่รู้ไม่เห็นหรือเห็นแล้วไม่เข้าใจน นี่หลวงปู่สุวัตท่านเคยเล่าว่าท่านด่าตัวเองเละว่าทําไมมัโนโงนะ่ในการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะคอยรู้กายคอยรู้ใจได้จิตใจที่เป็นกลางด้วยจิตใจที่เป็นตัวของตัวเองได้จิตใจที่ตื่นขึ้นมามีความอ่อนโยนมีความเบามีความนุ่มนวลสบายสักว่ารู้สักว่าเห็นปล่อยให้กายทํางานไปปล่อยให้จิตทํางานไปมีสติตามรู้ไปอย่างห่างห่างตามรู้ห่างห่างไม่ได้เข้าไปเพ่งช่องเอาไว้ ทีนี้ยปัญญาจะเกิดพอปัญญาเกิดแล้ววิมุติมันจะเกิดเองใจมันจะหลุดของมันเองไม่ต้องพยายามทําจิตให้หลุดพ้นไม่มีใครทําจิตให้หลุดพ้นได้สักคนเดียวไม่มีมีแต่จิตเขาฉลาดแล้วเขาก็หลุดพ้นของเขาเองเพราะจิตไม่ใช่ตัวเราเหรอกตอนนี้ยังเห็นจิตเป็นเราเขาไม่เป็นไรนะค่อยฝึกไปเขาจะเห็นจิตมันทํางานได้เองเดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดร้ายเดี๋ยวมันปรุงสุขเดี๋ยวมันปรุงทุกข์นะ เดี๋ยวปรุงกุศลเดี๋ยวปรุงโลภโกรดหลงอะไรเนี่ยมันทำของมันเองทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วดับเดี๋ยวมันหนีไปคิดแล้วก็ดับไปเนมันจะเห็นอย่างนี้ยซ้ำๆๆนะจนเห็นจนไม่มีเราอดทนนะต้องใช้ความอดทนพอรู้หลักแล้วต้องอดทนคารว่ามีจุดอ่อนตรงไหนคารว่ามีจุดอ่อนที่สำคัญที่ความต่อเนื่องเพราะว่าไม่อดทนพอในการที่จะปฏิบัติธรรม พระว่าสเนี่ยจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นงานอดิเรกการยุ่งเหยื่อโลกเป็นงานจริงๆถ้าเป็นหัวใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยจะกลับข้างกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยคืองานจริงๆการอาศัยอยู่กับโลกนะทํางานต่างๆเนี่ยเพื่ออาศัยเท่านั้นเป็นส่วนประกอบแต่ก็ต้องทํานะไม่ใช่ขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจเป็นจิเรสนะผู้ปฏิบัติจะไม่ขี้เกียจทํางานหรอก จะทำได้ด้วยความขยันขันแข็งกว่าคนทั่วๆไปด้วยซ้ํำไปทำเร็วกว่าคนปกตินะอย่างหลวงพ่อเวลาทํางานนะเราดูข้อมูลเราจะเขียนอะไรเป็เพื่อสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราดูข้อมูลทีเดียวเสร็จแล้วไม่ดูอีกแล้วไม่วางพลาสที่จะเขีย น, นเดินไปที่คอมพิวเตอร์คจริงไม่ได้เดินอ่ะเพราะที่โต๊ะมีคอมพิวเตอร์อยู่ตัวเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยนะก็เขียวไปเลย ทีงานออกไปเลยผู้ใหญ่ก็มายืนรอผู้มนุยการมารอเซ็นอะไรเงี้ยเซ็นได้เพราะว่าใจเรามีสมาธิในการทํางานใช่ไมภาวนาแล้วไม่ได้ขี้เกียจขีค้คลานนะถ้าใครภาวนาแล้วโอ้ยไม่อยากทํางานเคยมีคนนึงรู้จักกันนะมาฟ้องหลวงพ่อว่าหัวหน้ากองเนี่ยใจบาปหยาบช้าถามว่าทําไมใจบาปหยาบช้าบอกคนเขาจะภาวนาใช้งานอยู่ได้ เอาองั้นแม่คุณก็ไปพาวนาที่บ้านสิไปกินกันเดินเขาก็ต้องทํางานนะเพราะงั้นถ้าเราพาวนาเป็นเนี่เราจะไม่ขี้เกียจหรอกขยันทํามาหากินนะแต่เรารู้ว่านี่เป็นงานอาศัยท่านะั้นเพื่ออาศัยอยู่กับโลกเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวของเราไปงานหลักของเราจริงๆคืองานที่จะช่วยตัวงให้พ้นจากความทุกข์ความทุกข์ตามบีบทั้นเราอยู่ตามหลักเวลาหลวงพ่อแก่มาป่านนี้นะหลวงพ่อจะเห็น วิธีชีวิตของผู้คนมากมายอย่างบางคนทะเยอทะยานดิ้นรนมากนะสุดท้ายไม่มีอะไรพอแก่ลงไปนะก็ไม่มีอะไรได้แต่นั่งฝันถึงอดีตว่าเคยรุ่งเรืองแต่ตอนนี้กเกษียณไปแล้วไม่รุ่งเรืองอะไรเงี้ยหรือมีเงินมีทองมากนะก็นั่งปลุ้มใจไม่รู้จะบริหารยังไงแบงก์มันจะล้มหรือเปล่าเขาไม่รู้เสร็จแล้วมีลูกมีหลานนะ ไม่รู้ว่าลูกหลานะมันรักเราจริงหรือว่ามันอยากมาได้มรดกชีวิตนะทําไมมันเต็มไปด้วยปัญหานะตั้งแต่เกิดจนแก่จนจะตายมิตายแหล่ะนะก็ยังชีวิตหาความสงบสุขแท้ๆไม่ได้เลยไม่เหมือนผู้ภาวนานะรู้จิตรู้ใจตัวเองปล ด, ดปล่อยจิตใจตัวเองเป็นอิสระขนะึ้นมาะมีความสุขงั้นงานหลักของเราจริงๆคืองานช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์าวอนนะช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ ไม่ต้องไปดินหาความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ช่วยตัวเองพ้นจากความทุกข์แล้วมันสุขของมันเองเนะี่ยเวลาเรียนเรียนกลับข้างอย่างนี้เรื่อยๆนะธรรมะแปลกเพราะฉะนั้นธรรมะแท้ๆบางทีพูดในทางโพสิทีฟนี่ไม่รู้เรื่องแนละ้วเราพูดในเชิงปฏิเสธอย่ารู้เรื่องนิพพานเป็นยังไงนิพพานไม่เป็นอะไรนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นนิพพานไม่ใช่อย่างนี้หรือบางคนอยากรู้สึกตัวทายังไงจะรู้สึกตัว ทำยังไงก็ไม่รู้สึกหรอกให้รู้สึกว่าหลงเป็นยังไงถ้าเมื่อไหร่ไม่หลงไม่ไน้นก็รู้สึกตัวนะเรียนนั้นมันจะกลับข้างอย่างนี้เรื่อยหันมองต่างมุมนะ่ะหันมองต่างมุมแทนที่มองไปมุมแบบมาแรงติดกระจกบินชนกระจกไปเรื่อยนะมองต่างมุมพลิกนิดเดียวมันพลิกความเข้าใจนิดเดียวอย่างนะโลกกาะแมันก็กว้างลงต่อหน้าต่อตาเมื่นเราถือของไว้ เราถือไว้นะโอ้ยทำยังงจะหลุดวะพอมันจะหลุดจริงก็รีบไปประคองไว้อีกเนีจริงง่ายนิดเดียวนะนแค่นี้เองง่ายจริงๆนะไม่ใช่โฆษณาหรอกคนที่เขาทาผ่านมาผ่านมาแนละ้วเขาก็อุทานทุกคนแล้วมันง่ายแค่นี้งนะมันง่ายจนเรานึกไม่ถึงก็คแค่คอยรู้กายแค่คอยรู้ใจไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันหลุดพ้นของมันเองมีเท่านี้เองงั้นตั้งอกตั้งใจนะมีโอกาส ได้เป็นมนุษย์แล้วอยากขี้เกียจคำว่าขี้เกียจเนี่ยเป็นคำที่แสลงหูหลงข้อที่สุดเลยได้ยินลูกศิษย์มารายงานว่ามูนี้ขี้เกียจแะอยากดีออกจากวัดไปเลยไม่ดี ด, ด้วยนิ้วหรอกนะมันเหมือนคนไฟจะคลอกตายอยู่แล้วนะข อ, อ น, นอนอีกหน่อยนะไฟเพิ่งถึงรั้วบ้านไม่ขึ้นหลังคาเข อ, อ น, นอนอีกนิดหนึ่งไม่ง่แล้วจะเรียกว่าอะไร ฉันให่ขี้เกียจนะอดทนความอดทนของผู้ปฏิบัติเนี่ยสําคัญมากพอเราเรียนจนเรารู้หลักแล้วต้องอดทนในการปฏิบัตินะต้องอดทนต่อคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์บางคนสอนให้นะเสียใจนะเสียใจรุ่มใจอะไรเงี้ยคนสอนให้โมโหก็มีนะโมโหตอไม่บอกให้ก็โมโหอีกนะอนี่เอาใจยากนะโยมอะ งนรวมความไม่เอาใจละใครทนได้ก็ทนนะใครทนไม่ได้ก็ออกไปเรียนที่อื่นใครทนได้ก็ได้แก่นคุณเ้าบอกเราจะนวดพวกเธอนะเหมือนช่างปั้นมอมนวดดินทุบแล้วทุบอีกนะทุบด้วยมือเหยียดสุดเท้าช่วยกันมืออย่างเดียวเหนื่อยนวดนวดนวดใครทนได้ก็ได้แก่นงั้นอันแรกเลยต้องทนต่อ ก, การที่ครูบาอาจารย์จำจีจําัยให้บางทีก็ถูกดุถูกด่านะเป็นเรื่องปกติ แว่าคนที่มาใหม่ๆหลวงพ่อยังไม่ดูหรอกคนมาใหม่ๆมาถามหลวงพ่อว่าหนูภาวนาดียังดีดีดีที่มาถูกนะตั้งแต่มาถูกที่ก่อนมาเรียนต่อไปวันนี้นี่จับเวลาแล้ววันนี้มีสติแปดครั้งโอ้ดีมากเลยนะดีมากอีกวันหนึ่งมารายงานได้สิบกครั้งแล้ะโอ้ดีมากกว่าเก่าทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ละเห็นไห แต่ถ้าคนที่เรียนเก่าๆจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะอ้ น, นี่ก็ไม่ได้อ้ น, นี่ก็ผิดอ้ น, นี่ก็ผิดทําอะไรก็ผิดมีแต่ผิดผิดผิดไม่มีถูกหรอกเพราะว่าอย่างอินทรีย์อ่อนเราก็ต้องโอไว้ก่อนนะถ้าอินทรีย์แก่กล้าหรือว่าอินทรีย์อ่อนแต่ใจเข้มแข็งนะก็ต้องเรียนอีกแบบหนึง่งเข้มแข็งนะแล้วก็อดทนต่อการสั่งสอนอดทนต่อความยากลําบากอย่างขี้เกียจนียอยากจะนอนนะอย่าไปนอนนะ ต้องต่อสู้ขี้เกียจภาวนาต้องต่อสู้มันอดทนต่อความหิวความหนาวความร้อนอดทนต่อความยากลำบากทางกายอดทนต่อกิเลสกิเลสจะลากให้เลิกปฏิบัติตลอดเวลาอดทนมีหลายอดทนนะอดทนต่อคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์อดทนต่อความยากลำบากทางกายอดทนต่อกิเลสปัญหาที่คุกคามจิตใจต้องอดทน ใครทนได้ก็ได้แก่นไครทนไม่ได้ก็แพ้ไปเมื่อก่อนมีคนเจีนกลอนไว้นะบอกใครไม่ใครไม่ทานพอประกบก็หลบไปประกบชู้ไม่ได้สู้กิเลนไม่ได้ก็หลบไปก่อนหลบไปไหนถ้าหลบแรงหน่อยก็ลงอบายไปลงนรกไปมีเรื่องมีแรงก็กลับขึ้นมาใหม่มาเป็นเปรต <laughs> มาเป็นเปรตมาเป็นสุรกายมาเป็นเดรัจฉานอะไรก็พัฒนาขึ้นมา เสอดทนนะอดทนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ก็ทนเหมือนกันแต่ไม่ทนเข้ารุ่นครูบาอาจารย์หรอกในทางร่างกายเนี่ยพวกเราสะดวกสบายมากแต่ก่อนครูบาอาจารย์จะไปเรียนอย่างหลวงปู่ทั้งหลายท่านจะไปเรียนจากหลูหลปู่มั่นท่านเดินนะหลูงปู่มั่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะไม่มีอุ ป, ปกรณ์ไอจีอะไรจะช่วยเช็คเลยมีแต่เท้าเท่านั้นเดินเท้าหาไปมีปากเที่ยวถามเข้าไปได้ๆหากันเป็นปีๆ อาจจะไปเรียนมารุ่นหลวงพ่อก็ง่ายหน่อยเรารู้ว่าครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่ที่นี่นะขึ้นรถทัวร์ไปต่อรถยนต์ไปหมดทางรถยนต์ก็เดินเข้าไปไม่มากเท่าไหร่อย่างมาน ก, ก็เดินครึ่งวันเนีแล้วก็ต้องทนนะที่ก็ไม่มีไม่มีข้าวจะกินนะเคยกระทั่งในหินบักเป้งวัดใหญ่ๆมีโรงครัวเนี้ไปแรกๆไม่รู้จักใคร ตอนเช้าพอถวายอาหารพระเสร็จปุ๊บ ก, ก็ทําวัดกันสวดมนต์แบบท้าชันอาหารนะท้าชันอาหารแล้วก็สวดมนต์นะกาวว่าสวดเสร็จแล้วจะลงไปกินข้าวยกไป้งแค่ยกไปสลาลีอย่างเงี้ยพอสวดเสร็จลงมาไม่เหลือละเพราะคนที่ไปวัดนะคนใหญ่คนโตเยอะมากเลยมีคนใช้ไปด้วยตัดใส่ปนโนผิดเกลี้ยงเลยหม้อหายอะไรก็เก็บไปหมดแล้วนะ เราไม่มีเหรอไม่มีก็ไ ม, มไม่มีนะไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีก็เลยตับขึ้นมาบนสารา้ายมานั่งภาวนาอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่เทศท่านเห็นแนละท่านปลับมือเรียกเลยท่านส่งบาตรของท่านให้ให้กินในนี้นะพอท่านส่งบาตรเรารับมาแล้วก็มีของกินมือมหัสจรรัลนะั่งรอบชิ้นเลย <laughs> <laughs> พวกนี้อยากได้ของขลังพวกนี้ไม่ได้อยากได้อาหาร <laughs> เราต้องการอาหารนะเขาต้องการของวิเศษนะปุ๊บปั๊บุ๊บปั๊บ ข้าวหลังไปนะหาขนมขนมลูกสาวอะไรพวกนี้ไปกาวเลยราจะไปอยู่กี่วันนะต้องกินนะพยายามกินให้น้อยที่สุดนะกินมื้อละสามลูกลูกตัวแค่เนี้ย <c oughs> นะงั้นกี่วันวันละกี่ลูกคำนวณออกมาแล้วก็เอาไปลำบากลาบากก็ต้องเอาอยากได้ธรรมะบางทีเข้าไปถึงตัวท่านท่านก็สั่งซ้ะ ไปจัดกุฏิพระให้หลวงพ่ออยู่ถ้าพระอุปถัมา์ท่านบ้างท่านก็ไปจัดให้ท่านไม่บ้างท่านบอกเราให้ไปบอกพระที่ภุมิุญแจพอไปบอกนะพระวันั้นก็บอกไม่จําเป็นหรอกไปอยู่กุฏิรวมก็ได้นี่ยมีสมภานองที่สองขึ้นมาลนะ <c oughs> เราก็ไม่ฟ้องหลวงปู่นะก็ไปนอนให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไปที่อดทนนะทนถ้าเราบอกว่าหลวงปู่สั่งท่านจะแน่สักแค่ไหนในท่านกระเด็นเลยนะพระ ขัดคำสั่งครูบาอาจารย์เนี่ยอยู่วัดป่าไม่ได้เลยกระเด็นเลยแล้วก็เฉยๆพรากว่าพวกรถัวมายเยอะแยะเลยพวกอรหันต์พวทรวบหลายวัดนะนะวัดโน้นวัดนี้นะโซเซเข้ามายามเย็นยามค่ำโห้ยกินเหล้ า, มาเมาแหมมาดูมาเอาบุญนะมาเอาเหม็นขึงมาเลยน้ำท่าก็ไม่อาบนะ <c oughs> นอนก็นโกมกลา ง, งโกงคง่ำ เราทนไม่ไหวเราก็ต้องไปอ ย, อยู่ที่อยู่ใต้ต้นไม้อยู่อะไรยงี้ไม่เคยปีปากบนกับครูบาอาจารย์เลยเราจะไปเอาธรรมะเราจะเอาทุกอย่างเลยเหรอต้องยอมลำบากต้องกล้าที่จะลำบากบ้างงั้นอย่างมีพระนะพระมาอยู่มาเรียนกับหลวงพ่อเยอะบางวันมีเป็นสิบสิบองค์ท่านก็ไปเที่ยวอยู่รอบๆบนี้ความจริงวัดกรรมฐานไม่ได้รับพระเยอะหรอก ตั้งแต่สมัยโอลูมั่นก็ทำแบบนี้พระจะไปอยู่รอบๆถึงเวลาเข้ามาเรียนมารวมกันอยู่ร้อยองค์จะทำไงใครจะไปเรียนกรรมาฐานได้อยู่กันอยู่คอนโ ด, โดอย่างนี้แฟลตอ ย, อยู่อย่างน้นอยู่กันเยอะแยะลําบากไม่เป็นไรมีองค์หนึ่งท่านลูกศิษเเย์อาจารย์ทุยศิษย์หลวงพ่อทุยท่านไม่ไปอยู่วัดอื่นเลยท่านไปฝูกรดอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้แถวนี้ก็ไม่มี ที่อยู่กลางแจ้ง่งชาวบ้านก็ก็ไปสร้างกระต๊อบให้เนื่อลําบากนะลาบากท่านมาเอาของดีได้ของดีติดเนื้อติดตัวกลับไปอะไรเงี้ยคุ้มอย่า ง, างาวัดหลวงพ่อนะถ้าหลวงพ่อรับพระทุกองค์ที่มานะทํากูศรีร้อยหลังก็ไม่พอหรอกไม่กี่วันก็เต็มแนละ้วก็ต้องเวียนกันอย่างเนี้ยอยู่รอบๆแล้วก็เข้ามาเรียนเนาะวัดไหนเขาให้อยู่ก็อยู่เขาไม่ให้อยู่นะก็ไปอยู่วัดอื่น ไม่มีวัดอยู่ก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาตามต้นไม้นะก็ต้องสุดกันอย่างนั้นคารมาวาัดก็ไม่ลําบากเท่านั้นนะไปนอนซีลีนเฟสบ้างนอนบางพระบ้างนะมีสตางค์สักอย่างถ้าไม่มีนะลําบากกว่ากันเยอะแต่ว่าอดทนนะอดทนคุ้มที่สุดเลยเราอยู่ในโลกเราก็ต้องอดทนทั้งมากมาย แต่ว่าอย่างอดทนทามาหากินได้มาใช่ไหมแล้วก็หมดไปก็ต้องอดทนทําอีกไม่รู้จักจบสิ้นนังานในโลกไม่มีจบสิ้นอดทนในทางทำมีที่สุดนะมีที่สุดมีแจ็คพอตนะอะไรเป็นแจ็คพอตหอไหมนิพพานอย่างเราภาวนาไปจนเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราจะรอวันนิพพานเหมือนคนซึ่งทํางานเสร็จแล้วรอรับค่าจา้างมีแจ็คพอตอยู่ตรงนี้เราฟังแล้วเราสยองเลยใช่ไหม สุดท้ายตายดีกว่า <c oughs> พวกเรายัางไม่อยากตายเพราะว่าเรารักในขันนี้มากเราเห็นว่ามันมีความสุขแต่ถ้าวันหนึ่งเห็นรู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยเราจะไม่หวงหรอกเราฉั้น <c oughs> อยู่ที่ปัญญานะแล้วก็ไม่ใช่ว่าพาวนาแล้วจะชีวิตเฉี่ยวแห้งไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับลาดับไปนะ้วมีความสุขมากจริงๆ คนไม่เคยมีศีลมีศีลขึ้นมาก็มีความสุขนะเคยไม่เคยทำทานทาทานขึ้นมาก็มีความสุขนะคนไม่เคยมีสติมีสติขึ้นมาก็มีความสุขไม่เคยมีสมาธินะมีสมาธิขึ้นมาก็มีความสุขมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขมีวิมุตยินีมีความสุขใหญ่มีวิมุตยานัศนะโอ้ยมีความสุขเป็นที่อยู่ที่ปลื้มที่อาศัยอยู่ตรงนี้ ในใจที่หยัางลงถึงนิพพานอยู่กับนิพพานเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดที่วิเศษที่สุดที่มีความสุขมากที่สุดโดยที่ยังไม่ได้ตายนะงั้นยิ่งภาวนายิ่งพบความสุขมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่คนในโลกนะี่เหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆลองไปดูสี่พระครูบาจารย์นะยิ่งแก่ยิ่งดูผ่องใสรู้สึกไหม ท่า น, นอนบางองค์นะนอนอยู่บนเตียงกระดิกไม่ไหวละโอ้ยผองใสยัางงามคารวะตไม่ทันจะแก่แกส่วนมากก็ตายซะก่อนสังเกตไหมผู้ชายแก่ๆนะมีแต่พระนะคารวะต์แก่ๆที่เป็นผู้ชายไม่ค่อยมีหรอกตายเร็วเอาแรงไปทําชั่วหมดอ <laughs> แรงไปกินเหล้าเมายาบอลโลกมาก็ต้องดูโต้รุ่งนี่ตายเร็วได้ไง ไม่เหมือนคนภาวนานะภาวนาใช้พลังงานไม่มากมีความสุขให้คล้ายถึงเอาหัดรู้สึกตัวทั้นแรกขั้นแรกสุดรู้สึกตัวใจเราชอบเผลอชอบใจลอยเผลอไปใจลอยไปก็เรียกขาดสติวิธีที่จะให้รู้สึกตัวก็คือพอใจเราลอยไปปุ๊บรีบรู้ทันว่ามันใจลอยไปแล้ว เผลอแล้วรีบรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะพอไม่เผลอมันก็รู้สึกนะพอไม่เผลอมก็รู้สึกตัวขึ้นมามีสติขึ้นมาเรารู้สึกตัวเรารู้ว่าอะไรก็รู้สึกตัวสิอะไรที่เรียกว่าตัวเราบ้างก็กายกับใจก็รู้สึกลงในกายรู้สึกลงในใจรู้สึกไปเรื่อยๆเรารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจต่อไปก็เห็นความจริงของกายของใจร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวคนนี่กว่าร่างกายมันเป็นแค่วัตถุ มีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกทั้งวันเช่นหายใจเข้าแล้วหายใจออกเนี่ยกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ําแล้วก็ไปฉี่ออกไปอะไรเนี่ยมีาธาตุหมุนอยู่อย่างเนี้ะหมุนเวียนตลอดเวลาร่างกายจริงๆเป็นวัต ถ, ถุเป็นก้นธาตุเท่าทนั้นเองแล้วไปที่ที่จิตมาอาศัยอยู่ช่วครั้งช่วคราวส่วนจิตใจเป็นของไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ร่างกายเป็นทุกข์ Marvin, truth. ด้วยนะไม่ใช่แค่เห็นถึงก้อนา้าเราก็เห็นร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ใครอยากรู้ว่าหายใจออกทุกข์ยังไงลองหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้านะเดี๋ยวก็รู <aussi data> ้เองนั่งอยู่ก็ทุกข์ใครอยากรู้ว่านั่งแล้วทุกข์ยังไงก็นั่งไปเรื่อยๆอย่าลุกนะเดี๋ยวก็ทุกเองนะกินก็ทุกข์นะลองกินไปเรื่อยๆไม่หยุดสิทุกข์ไม่ทุกข์เดี๋ยวก็รู้ละเห็นไหม ถายไปเรื่อยๆไม่หยุดก็ทุกอีกนะเห็นไหมเนี่ยร่างกายมีแต่ตัวทุกข์เป็นวัตถุเป็นก้อนาธานตะุนั้นแต่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดส่วนจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยมเส้นสายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและจิตใจก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้นะจงเป็นสุขเวลาเราสวดมนต์เราชอบนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดไม่เป็นหรอกอเป็นแต่ปากหรอก สั่งมันไม่ได้ใช่อย่าทุกเลยขอให้พ้นจากทุกเถอทุ ก, ทกสั่งไม่ได้นะงั้นไม่ต้องมาขอพรนะบางคนชอบมาขอพรขอให้หนูมีความสุขมีไม่ได้หรอกมันไม่จริงหรอกหลอกเด็กแต่บางคนยังเป็นเด็กเราก็ต้องหลอกนะถ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ชี้ให้ดูไม่มีหรอกความสุขนี่ยมาขอความสุขเลย พระยังไม่ได้มีความสุขเลยพระยังทุกข์เลยนเนี่มาขอความสุขจากพระเคยมีพระองค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อเที่ยงหลวงพ่อเที่ยงอยู่ม่วงชุมวัดม่วงชุมที่เมืองการท่านไม่อยู่ล้วมีคราวหนึ่งพวกทหารเนะี่ยเขาจัดพิธีพุท ธ, ธาพิเศษนี่มนต์พระอาจารย์มาเยอะแยะเลยหลวงพ่อเที่ยงก็มาด้วยมีนายทหารคนหนึ่งนะครานกระตุกกระตุกเขาไปกราบหลวงปู่ครับขอพรขออะไร ผมมาเป็นพันเอกพิเศษมานานแล้วไม่ได้เป็นในผลสักทีมึงโง่อีกเงี้มึงก็ไม่ได้เป็นสิต้องไปขอนายมาขอพระแล้วมันจะได้อะไรอ่ะ <c oughs> เออแกติ้งขึ้นมานะแกไปขอนายแกเลยเป็นนในพลไปแล้วงั้น <c oughs> อย่าอย่างงมงายนะอย่างงมงายเหตุ <c oughs> เป็นยังไงผลก็เป็นอย่างนั้นแหละ ช่วยตัวเองนะแชพุดค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวรอบสองตรวจกันบ้านนะรอบแรงเอาแค่นี้ก่อนกนแล้วกันหมดเสียงละไปเชิญทานข้าว